สทุกคติพยสูตรว่าด้วยธรรมที่ให้พ้นภัยคือทุกคติหนึ่งพสพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมพ้นภัยคือทุขติทั้งปวงธรรมสี่ประการอะไรบ้างคืออริยาสาวกในธรรมวินัยนี้หนึ่ง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 อันไม่หวันไหวในพระสงฆ์สี่ 4. ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดเป็นไปเพื่อสมาธิภิกษุทั้งหลายอริยะสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการ น, นี้ย่อมพ้นภัยคือทุขติทั้งปวงทุขติพยสูตรที่สี่จบ